เจ้าพระคุณสมเด็จมหาหมุนีวง์ที่เป็นประธานสงฆ์แล้วก็กราบคารวะครูบาอาจารย์มหาเทรานุเถระทั้งหลายที่มองมองเห็นก็รู้สึกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของกระผมและเป็นของครูบาของครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพหลายองค์ที่มองเห็น กระผมได้รับอนุมัติจากพระมหาเถระหรือว่าคณะตัดธาญาติโจมในให้ขึ้นมาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้แต่วันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันท่านเจ้าคุณพระญาณวิสิทธิ์หลวงปู่ทองจันทศิริแต่วันนี้เป็นวันครบ99วันแต่วันโปนี้ครบร้อยวัน คณะรรมนุษย์ธรรมยุทธใหญ่มีท่านเจอผภาพนำโดยสมเด็จพระมหาหมูนีวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็เห็นคณะตถาญาติโยมพวกโมเหล่าที่มาร่วมกันเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะว่าจะครบร้อยวันวันพรุ่งนี้และก็อาทิตย์ที่จะถึงวันที่ยี่ก ก็จะเป็นวันพระราชทานเพลิงสริระสังขารของหลวงปู่ทองของพวกเราคือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นวันรวมคณะสัทยาญาติโยมมีคณะสงฆ์ใหญ่อย่างที่กระผมเรื่อนนมาภาพได้กล่าวเลียนให้ทราบคือว่าวันนี้เป็นวันพร้อมเพียงเป็นวันให้ความสำคัญกับหลวงปู่ทองที่เป็นพระ เถระมหาเถระท่านหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากท่านพ่อรีธรรมทโรคือท่านพ่อท่านพ่อรีเนี่เป็นญาติผู้ใหญ่ของหลวงปู่ทองวันนั้นสืบเนื่องมาหลวงปู่ทองเป็นหลานรุ่นหลานของหลวงปู่ของเราถือว่าเป็นทายาทผู้ใกล้ชิด รานนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันี่พวกเราให้ความรักเคารพในท่านพ่อรีแล้วก็รักเคารพในท่านหลวงพ่อทองด้วยจึงได้มาพร้อมเพียงสามัคคีกันอีกไม่กี่วันแล้วก็คงจะถึงวันพระราชทานตอนนี้ไปเก้าระผมจะได้กล่าวแสดงธรรมเทศนาเพื่อบูชาพระคุณหลวง พ่อทองที่หลวงปู่ทองที่ท่านร่วงลับดับขันไปแต่หลวงปู่ทองท่านก็เป็นธรรมะกระถึกองค์หนึ่งที่เป็นนักท่าเทศและเป็นนักแสดงธรรมกล้ากับผมเองกลับผมเอ ง, ก, เองก็ได้ฟังธรรมเทศนาของท่านนับนับครั้งไม่ถว้วนการแสดงธรรมของท่านก็รู้สึกว่าเป็นไปโดยธรรมลึกซึ้งในการแสดงธรรมของหลวงปู่ คนนั้นก็บผมเองที่อยู่เบื้องหลังเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วกับผมก็เป็นทายาทที่จะเป็นองค์เจริญธรรมใ น, นแทนแทนท่านหรือว่าทดแทนท่านและก็ต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งกผมจะเรีกขอกราบพระเดชพระคุณ่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เก่ากว่ผมเลยกราบ คารวะเจะดิกบแสดงธรรมนะโมตัสสะพะคะวะโตอรโตมมโตระตอระหโมมโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณะธรรมโมหิ มรณงอนตีโตขยไวยะธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งที่กระผมได้มาจะแดงธรรมอันนี้เป็นรอบที่สองเมื่อท่านได้ร่วงลับไปก็ครั้งหนึ่งและก็เมื่อวันนี้เป็นวันที่สองที่เป็น ได้มาแสดงทำได้กล่าวสัมมูลได้กล่าวสังเว ท, ทนิยตคาคือกล่าวความสลดสังเวทใจที่ได้ยินข่าวว่าองคหลวงปู่ได้มรณะภาพลงไปแล้วพอวันนี้ก็ได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจเมื่อองค์หลวงปู่ได้ล่วงลับดับขันไปจะจ ะ, จะทำอย่างไงได้ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลาย อย่างที่ก่าวผมอาจะมาภาพได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ได้ทราบว่ามรณะ ร, รมโ ม, มหิมรณงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ค่ว่าตายคำนี้ถึงจะพูดพูดทุกคนพูดได้เรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เห็นคนอื่นตาย ่ถ้าเห็นคนอื่นไกลตัวของเราตายเราก็พูดได้แต่พูดมาอยู่ใกล้ของเราตายเราก็พูดไม่เต็มปากเต็มคาขอรู้สึกว่าสรดกดขู่ทางด้านจิตใจพอสมควรยิ่งมาถึงตัวเองจะตายอันนี้ลเลยแปลว่าพูดคำไม่เต็มปากเต็มคำสัทฐานหวั่นไหวทุกคนไม่ว่าท่านผู้ใด พรเรื่องมรณะภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดถ้าหากว่าพิจารณาถึงมรณะภัยคํานี้แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, กท่านแต่ถึงยังไงพวกเราก็ไม่มีใครที่จะหลีกเลี้หนีพ้นไปได้เรื่องมรณภยัยแต่ว่ามีทางที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มาเกิดถ้าหากว่าเรามีความถ้ามาเกิดอยู่เราก็ต้องตายแต่ถ้าเราไม่มาเกิดจะทํำยังไง พระพุทธเจ้าใจเป็นค้นคว้าศึกษาเมื่อ 2,559 ปีให้หลังที่โจนต้นโพ ท, ที่ท่านได้ตัดสรุ้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6เพนนนั้นถ้าพวกเราศึกษาดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าค้นคว้าศึกษาเป็นหนทางที่จะไม่มาเกิดอีกท่านทำอย่างไรตอนหัวข้ามท่านนั่งสมาธินั่ง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 ครูบาอาจารย์คณอาจารย์ทั้งหลายไม่วัาที่เบสพม่าศรีลังกาเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นท่านก็ออกมาแยกออกว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เอามาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนก็เลยมีหลายแนวมียกเนอะพองเนอะมีอะไรบ้างแต่กรรมฐานพื้นจริงๆพื้นฐานจริงๆกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจริง คือกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพุทธะแต่มาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของท่านพ่อดีที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ทองของพวกเราหลวงปู่มั่นท่านก็เอาแนวหนึ่งมาสอนอีกเหมือนกันแต่ท่านก็ยึดแนวปฏิปทาพระพุทธเจ้าคือยึดลมหายใจเข้าออก แต่ให้บริกรรมกรรมฐานแบบพดโธพุดโธเข้าด้วยเพราะว่าถ้าว่าบริกรรมแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันหลงมันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สามทัพกับพดโธให้บริกรรมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทอันนี้คือกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น่กรรมฐานสายอื่นก็มีอีกมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้ว ผู้ได้รับการศึกษาในพระหลักหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่นอกเหนือออกจากสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในกรอบนี้ถ้าว่าพวกเรายุบหนอพองหนอก็ตามพุทธพุทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ตามกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ตามเอาอะไรกําหนดก็เอากายกําหนดเนี่ว่ากายยานุ ป, ปัต น, นาสติปัฏฐาน เวทนาบางท่านก็กาหนดให้มีการเคลื่อนไหวยกมือขึ้นยกมอสมือลงอย่างนี้เรียกว่ากําหนดที่เจ็บปวดอันนี้ตัวเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานเมื่อเรากำหนดดูจิตตามดูจิตตามตัวผู้รู้ความนึกคิดของจิตใจขณะนี้ใจของเรานึกคิดเกื่อวอะไรอันนี้เรียกว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานอารมณ์ที่มากระทบใจ มีความเสียใจมีความดีใจที่มีอารมณ์เข้ามากระทบอนนั้นว่าทำมานู ป, ปัฒนาสติติปฐานแต่ทั้ง4กรมรมฐานถ้าเราวิเคราะห์ อ, ออกมาในแนวแถวพ่อแม่ภูบาอาจารย์ลิขรนาจอาจารย์ทั้งหลายได้แนะนำสั่งสอนก็ไม่นอกเหนือจากสถิติปฐานสิแต่หลวงปู่มั่นท่านเน้นท่านบอกว่าถ้าหากว่า กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกยังจับไม่อยู่ยังทะเลถลายยังเอาสติจับไม่อยู่แล้วจับพิจารณาเวทนาจะพิจารณาจิตคือ ต, ตัวนึกคิดหรือพิจารณาตัวนามธรรมคือธรรมารมอย่าหวังเลยว่ามันจะจับอยู่เพราะว่าจับของจับอยาก็ยังไม่อยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพื่อจะทําจิตให้สงบเป็นเบื้องเป็นเบื้องต้น ท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าหรือว่าหายรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญแะแต่กับริกรรมพุทฟโฟโด้วยอันนี้คือทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อเมื่อเรากำหนดกรรมฐานจิตใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งเป็นจิตที่เป็นหนึ่งแล้วเราต้องถอนออกมาถอนออกจากความสงบเป็นหนึ่ง มาพิจารณาทางด้านปัญญาเรียก ว, ว่ากวิปัสนาวิปัน ส, นปนสนานี่คือวิปัสสนึกคือนึกคิดตรึกตรองเอาเหตุผลพิจารณาเห็นหาเหตุและผลพิจารณาร่างกายของเราร่างกายของเรานี่มีอะไรบ้างมีเกสาผมโลมาขนนะะักขาเล็กันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าอาการ32ของร่างกายอันนี้คือพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้ขื่อใหญ่ร่างกายของเราเนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมยอมรับไหมถ้าหากว่าเราพิจารณาจิตของเราผ่านความสงบแล้วผ่านความเป็นหนึ่งแล้วจิตใจของเราผ่านสมาธิมาแล้วมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงก็ยอมรับเพราะเหตุใดเพราะจิตของเราเป็นหนึ่ง และนามาพิจารณาทางวิปัสสนาจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผูวรู้คือใจใจของเราเนี่ยไปหลงร่างกายใช่ไหมทำให้หลงมาหลงร่างกายจะไม่ท่าร่างกายขนาดร่างกายอย่างไม่ใช่ตัวตนของเรายศถาบรรดาศักด์เงินคำทรัพย์สมบัติสามีภรรยาลูกหลานาทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายอย่างไม่ใช่ตัวตนของเรา จากนั้นเราธรรมธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละมรรคนิพพานไม่ได้อยู่ที่ใดอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพระสัตว์ทายญาติโยมทุกๆท่านหลักครรคําสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านให้ความสําคัญเรื่องของหนามธรรมคือใจมโนปุผังขมาธรรมามโนเศรษามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นโพหน า, เ, าเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่าน เ, าเรื่องจิตตโพนาอย่างที่อาตอมาได้พูดได้กล่าวใ ห, ให้แนะนำคณะทัพยาธญญาโยมทุกได้ฟังแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ได้กล่าวสมโมสังเวทนิยกถากระหว่างมรณะธรรมโมหิมรณะอนัตตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้กายวยะวยธรรมาสัร้าราอัปมาเดนะสัมปาเดฆาติอันนี้เป็นพุทธคต ท, ที่พระพุทธองค์กจะปรินิพานในวันเดือนหกเพนที่เมืองกุสินาราตันตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดคำว่าประโยชน์ตนคำนี้ก็ให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในที่จะเกิดประโยชน์ให้ภาวนาชําระจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นคือยอดเยี่ยมประโยชน์ตนอย่างอื่นที่เราอยู่ในโลกเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราก็จะได้มองข้าอันนี้คือพระพุทธเจ้า เป็นปชิมโอวานของพระพุทธเจ้าที่สั่งเสียพุทธบริษัทของพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นการกล่าวสังเวทนนิยกรราในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์อนุภาพคุณบ ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบ ร, รมีของหลวงปู่ทองที่ท่านได้ความเห็นมาดีแล้วนั้น